เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมสิ่งที่อยากเขาก็หลอกสิ่งที่ยอกเขาก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่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 ธรรมบัญญายจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระอุท ธ, ธาจารย์โดยพร้อมกันณบัดนี้เป็นขั้นที่สามในปีนั้นเองแสดงว่าพระพุทธศา ส, สนานี่ไปเร็วมากปีเดียวนั่นแหละไม่ใช่นานในปีนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ได้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 พระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขาเอาไปอ้างกันตรงนี้แหละเขาไปอ้างขัางเยอะดีแล้วเขาไปอ้างช่วยให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสำคัญประชาธิปไตยแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ประชาธิปไตยง่ายๆอย่างนั้นหรานั่นนั่นนั่นก็เรียกว่าประชาธิปไตยง่ายๆง่ายๆมากที่ว่าการเมืองเป็นประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าทรงสอนประชาธิปไตย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 แต่ต้องทราบโดยว่านั่นเป็นอย่างง่ายที่สุดเมื่อทรงอนุญาตให้ประสงค์เป็นใหญ่ในการต่างๆก็ทรงบัญญัติวินัยวินัยเรื่องแรกก็คือเรื่องให้มีผู้ปกครองผู้ปกครองทีแรกนั้นทรงเรียกว่าพระบัญชาพระบัญชาพระวัาชาทีแรกหมายถึงผู้ปกครอง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 คำว่าอาจารย์ผู้ปกครองนั่นในทางวินัยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบัชชาแต่เดิมเรื่องยังยาวไปอีกแต่ว่าอาจจะมาขอพูดในเห็นข้าวเท่านี้ก่อนว่าว่าวินัยเกิดช่วงนี้เกิดช่วงนี้แหละทรงบัญญัติแล้วว่าข้าวบัชชาต้องมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้คอยควบคุมดูแล พระเนรก็จะต้องคอยทำตามมีผู้ปกครองดูแลถ้าใครไม่ดูแลใครไม่ทำตามมีความผิดตามพระวินยัยก็ทรงกาหนดเรื่อยไปเรื่อยไปวินัยจึงเกิดขึ้นางานพระพุทธเจ้าประกาศคำสอนของพระองค์ทีแรกวินัยยังไม่มีจึงทรงเรียบคาสอนของพระพุทธองค์ว่าพรหมจัรย์รมจันร์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 ครบ้วนทุกประการแล้วไม่ต้องบัญญัติเพิ่มเติมแล้วพอสมบูรณ์ทุกอย่างวินัยบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วคาว่าเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคำว่าวินัยบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสามเดือน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 วินัยข้อใหญ่ก็ประชิกสี่สังคาทิเศษสิบสามนี่ข้อใหญ่แต่ว่าพระที่จะทำข้อบกพร่องในสิกขาบทใหญ่นี่น่ะน้อยแม่จะมีลงข่าวหนังสือพิมพ์ว่าพระมีการฆ่ากันตายะไรกันตายโยมสังเกต ด, ดูเถอะว่า กี่ปีน่ะถึงจะได้ยินสักทีนานหรือพระไปฆ่าคนเนี่ยนานๆ า, น, น, า น, นานถึงจะได้ยินสักทีเดี๋ยวนี้ยังได้ยินอาจจะว่าทีึ้นมาบ้างแต่ก็นานถ้าเทียบกับทางโยมนัก็ยิ่งนานใหญ่เลยเชื่อเพราะว่าทางโยมประจําวันเนี่ยคนมากกว่าคนมากกว่ากันแล้วก็มีเรื่องที่จะเป็นเหตุให้ เป็นอย่างนั้นมากกว่าพระภิกษุที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทใหญ่มีน้อยพระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นสิกขาบทจะใหญ่ก็ตามจะเล็กก็ตามว่าเป็นโคตเป็นภัยทั้งนั้น อย่างที่พระท่านสวดว่าพยัคทัพสาวีเห็นว่าเป็นภัยเป็นโทษแม่ติขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายใช่ไหมท่านทุกคนในทีติขาบทน้อยใหญ่ก็ถือว่าเป็นภัยเป็นโทษทนั้นที่สถาบันของเราเนี่เราเพ่งเล็งทั้งติกขาบทใหญ่และติขาบทน้อย แต่สิขาบทใหญ่เราไม่ค่อยห่วงเรามาห่วงสิขาบทเล็กน้อยสิขาบทเล็กน้อยนั้นมีโทษน้อยแต่ว่าถ้าทําได้งามมากงามมากถ้าจะเทียบนะโยมนะเหมือนจะมูลข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราจะมูลมูลพับมาวางแล้ว ใช้ได้าข้าวเหนียวนึ่งแล้วมาวางเราจะทำข้าวเหนียวมูนใช้ได้แล้วคนก็ทานได้แล้วเป็นข้าวเหนียวแล้วทานเป็นอาหารก็ได้เป็นของหวานก็ได้เป็นของข้าวก็ได้แต่ต้องมูนมูนให้มันขึ้นมันขึ้นข้าวเหนียวนึ่งแล้วเหมือนกระติกาบทใหญ่เอา มามูลชายนำกระพิมูลขึ้นเหมือนสิกขาบทน้อยมาแต่งคนเห็นข้าวเหนียวเออเข้าวเหนียวเนี่ยยังไม่ทานทานเลยแม้มันนะหน้าทานมันหน้าทานนั้นก็ยังไม่ไม่พอต้องมีวิธีอีกทำยังไงเขาต้องมีมันขึ้นไปอีกคํานึ่งบแม้มันย่องเลยเ ย่องไม่ทราบยังไงแต่เขาพูดกันยังไงแม้ข้าวเหนียวนี่มันย่องเนีไม่ใช่มันเฉยเฉยมันย่องอาตมาก็ไม่ทราบว่ามันยังไงแต่สแสดงว่าไม่ใช่มันธรรมดาเลยไปอีกคำว่าย่องเนะ่ยคือดีเหลือเกินข้าวเหนียวนั้นนะ่ะมูลดีเหลือเกินมันย่องเนี่ยนี่เปรียบเรื่องอาหารเปรียบกับเหมือนกับอาหารเหมือนกับข้าวเหนียว พ่อปฏิบัติของพระเนนที่เป็นสิกขาบทเล็กน้อยอย่างนั้นเน่เล็กน้อยแต่จริงแต่ว่างามงามงามเหลือเกินมีตัวอย่างแล้วก็ได้พูดมาทุกๆปีะท่านร็อัตชิท่านเดินออกไปบินทบาทในเมืองราชคฤห์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 เห็นเข้าสะดุดตาแล้วเอ๊ะนักบวชอย่างนี้ไม่เคยเห็นเคยเห็นมามากในเมืองราชเกิดเ้มีบ่อยเพราะว่าในเมืองราชเกิดเชืนี่เป็นที่รวมของพวกฤาสีทีไพรยเยอะไม่เคยเห็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมพระทำไมนักบวชคนนี้นะ่ะองนี้นะ่ะงามเหลือเกิน ท่านเดินก็แลดูงามงามจะย่างจะอะไรไปเนี่ยแลดูอริยาบทนี่ไม่เหมือนกับนักบวชอื่นๆเอ๊ะแปลกตรงนี้นี่โยมอาภิกรยานังไม่ใช่ใจนะตรงนี้โยมนะไม่ใช่ใจใจอยู่ข้างในใจเป็นกรรมฐานนะใครมองไม่เห็นนะ ใจที่เป็นสมาธิใครมองไม่เห็นใจปฏิบัติได้ธรรมกายใครมองไม่เห็นไม่สามารถที่จะไปรู้ได้แต่ท่าน ง, งามเนี่ยงามที่ไหนอาทิกัลยาห น, นังข้างต้นนอกๆ น, นี่งามงามเพราะ ง, งั้นภาษารีบทตอนที่เป็นคนหนุ่มจึงเดินต้องเดินตามไป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 พอดีพอดียังไม่พูดด้วยไม่พูดนะไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะไม่พูดเฉยยิ้มยิม้เฉยเฉยแต่นั้นยังไม่พูดอยากจะรู้ว่ากระท่นพูดเนี่ยจะงามไหมจึงได้ถามว่าทางภาษาในบทถามอุปติสสาบริพาโชคถามว่าท่านเป็นนักบวชใช่เป็นนักบวช เท่านั้นแหละเอเป็นนักบวชแน่แหละถ้าบวชกับใครทุกคนก็ตอบได้บวชกับพระพุทธเจ้าเอ้พระพุทธเจ้าคือใครท่านก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่โน้นบอกให้ทราบอยากจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าที่เป็นครูบรรณาจารย์ของท่านสอนอย่างไรนะท่านจึงดีเหลือเกินงดงามเหลือเกินแก่มใสเหลือเกินท่านสอนอยังไงเทศสัน้นๆ้นเขียนหนังสือจะนับตัวไม่กี่ตัวเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุตุทกากะโตถามท่านอาจารย์ ขยา ม, มังคโลท่านอาจารย์เสริมชัยมีอธิบายได้อาจจะมาไม่ต้องแปลและเท่านี้นะพูดสั้นๆเท่านี้เยธรรมมาเหตุปปภาเวเจสังเหตุภาษาสัโตแต่ว่าท่านเข้าใจกันนะพอพูดแล้วเข้าใจและท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่สอนได้เท่านี้แหละ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 นี่แหละท่านทั้งหลายที่ได้มีสิทธิ์คนสำคัญเกิดขึ้นเป็นอักราษาวกเบืืองขวาคือภาษารีบุตรนั้นเพราะอะไรเพราะความงามในเบื้องต้นของภาษาศาสนานั่นเองคนตาคมมองเห็นถ้าคนตาไม่คมมองไม่เห็นภาษารีบุตรท่านตาคม สังสมปัญญาบารมีสูงแรงกร้ามาข้ามพบข้ามชาติถึงชาติสุดท้ายแล้วพอเห็นพัฟรู้นี่แปลกไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่เหมือนของเราโยมนะของเราที่ว่ามาเมื่อกี้เนะี่ยไปเห็น อ, อินเดีย นั่งอยู่ที่รือที่เกษแมวิเศระเมืองไทยเหลือเกินแล้วตาไม่ค่อยจะแหลมตาไม่ค่อยจะแหลมธรรมกายมีสอนอยู่ตังเยอะแยะไม่มาไปอินเดียนุ่นอุตสาหขึ้นเรืองบินไปถึงอินเดียนับถือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตาไม่แหลมไม่ได้ใช้ปัญญาบา ร, รมีให้ลึกซึ้ง อาทิกัลยาณนะคือความงามในเบื้องต้นเกิดขึ้นเพราะอะไรโยมก็ตอบได้พระก็ตอบได้เพราะศีลถ้าจะพูดอีกคาหนึ่งก็เพราะวินยัยเพราะวินัยนั่นเองทำให้เกิดความงามจุดนี้จุดนี้แหละสำคัญจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญ สัพพุทธศาสนาของเราจึงชนะบรรดาลัทธิศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในเวลานั้นในประเทศอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้านะเล่าได้ว่าโดยสิ้นเชิงพระเบื้องต้นนี่ก็งดงามนักหนาแล้วถ้าไปท่ามกลางที่สุดจะทักแค่ไหน และทั้งสามประการนี้เกี่ยวเนื่องโยงถึงกันเศรษเป็นบาทฐานแหน่งสมาธิสมาธิเป็นบาทฐานของปัญญาคือเป็นฐานราองรับกันไปเป็นขั้นเป็นขั้นเพราะงั้นพระวิในจึงเป็นพื้นเบื้องตน้นแม้วิันเล็กๆน้อยๆต่างๆ ก็มีความสำคัญจึงควรที่จะได้ศึกษาให้ละเอียดลงไปว่าวิในเล็กๆน้อยๆ น, น่ะสำคัญยังไงข้อนี้ที่จริงเป็นเรื่องของพระแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์แกโยมบ้างเพราะว่าโยมของเรานี่ตัวทั่วไปนะโยมนางธรรมารที่นี่แล้วรับรองได้แหละเป็นนั้นว่าปลอดภัยละ โยมทั่วท่วไปนะ่ะไปเห็นพระไม่อาบน้ําเข้าไปอีกแล้วองค์นี้ขันษาหนึ่งไม่ได้อาบน้ําเลยนะเก่งมากอืไปเก่งที่ไม่อาบน้ำสามเดือนหลวงพ่อวัดปักน้ําบอกไหมว่าไม่อาบน้ำสามเดือนเก่งได้ธรรมกายมีไหมที่หนังสือก็ดีที่อะไรก็ดีอาจารย์เสริมชายเขียนไว้มีไหม ว่าไม่อาบน้ำสามเดือนแล้วเก่งได้ธรรมกายคนนี้ไม่มแีแต่โยมบ้านเราในอย่างนั้นดัง น, น, นั้นนะส่วนใหญ่นี่ท่านเก่งน่าอยู่ป่าช้าไม่พบกับคนเลยผมเนี่ยสามเดือนแล้วท่านยังไม่ตรงเลยยาวมาเกือบถูงไหญ่แล้วนับถือกันเหลือเกินเมื่อ2องทงวันนี้ลงข่าวนึกทุพิม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 เล่มที่15หน้าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งความว่าอมะตันทโทจะโสโหติโยธรรมะโยธรรมะมนุษสาสติแปลความว่าผู้ใดสั่งสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายวันนี้รายการธรรมสูตสติ ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอท่านผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจเริญและความรุ่งเรืองในพระสัจธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร